าแผมตพลังทิพย์ก็คือพลังวิญญาณอันนี้โปรดจำไว้ให้ดีอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่นร่างกายของเราเกิดมาจากพลังงานวิญญาณตาเห็นหูได้ยินสมองนึกคิดนี่ก็คือพลังงานวิญญาณได้แสดงปรากฏการออกมาให้เห็นหรือให้เรารู้จักได้อย่างชัดเจนร่างกายเคลื่อนไหวได้ อวัยวะต่างๆทำงานตามหน้าที่ของตนเองได้ก็เพราะยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายเวลานอนหลับและฝันตัวเราในความฝันเรื่องราวต่างๆในความฝันนั้นเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของจิตใต้สำนึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าพวังขจิตหรือพวังขวิญญาณและบางคนที่ฝันแม่นและฝันเห็นได้ชัดเจน ตื่นขึ้นมาแล้วยังจำเหตุการณ์ในความฝันได้อย่างแม่นยำนี่ก็คือสภาพของจิตซึ่งในขณะที่นอนหลับนั้นมีลักษณะคล้ายกับคนที่ได้สมาธิขั้นลึกซึ่งสามารถที่จะเนรมิตกายทิพย์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งที่พบเห็นได้ยินในขณะนอนหลับและฝันนั้นจึงมีลักษณะเหมือนกับพวกกายทิพย์หรือพวกอภ ป, ปาติกาทั้งหลายคือพวกนี้เห็นอะไรหรือได้ยินอะไร ก็หมายถึงได้เห็นของจริงได้ยินของจริงไม่ใช่นึกเอาเองและอะไรก็ตามถ้าเห็นหรือได้ยินด้วยตาทิพหูทิพคือตาหูอย่างของพวกโอปปาติกาทั้งหลายนั้นจะจำได้แม่นจำได้นานมากผู้ที่สามารถระลึกชาติได้ก็เช่นเดียวกันที่ระลึกขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ระลึกได้โดยอาศัยกายเนื้อเพราะในขณะที่ระลึกชาติได้นั้น จิตจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกถึงกายเนื้อและสิ่งภายนอกอย่างสมบูรณ์มากในขณะที่ระลึกชาตินั้นวิญญาณได้อยู่ในร่างของกายทิพย์ซึ่งเป็นกายทิพย์ที่สมบูรณ์เหมือนกับกายของเหล่าเท พ, พเจ้าทั้งหลายซึ่งพวกนี้สามารถระลึกชาติของตนหรือชาติของคนอื่นได้โดยไม่ยากอันหนึ่งในขณะที่คนเรากำลังจะตาย ทุกคนที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์นั้นจะต้องมีกายทิพย์เกิดใหม่แทนกายเนื้อซึ่งกําลังจะตายซึ่งกายทิพย์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดจากจิตใต้สํานึกและผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายนั้นสามารถจะบันดาลให้เกิดอะไรก็ได้โดยเฉพาะในโลกทิพย์นั้นการบันดาลนิเกิดสิ่งต่างๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้ที่มีฤทธิ์หรือผู้ที่ได้อภิญญานั้น ก็คือผู้ที่สามารถละทิ้งกายเนื้อและเข้าอยู่ในกายทิพย์ได้ทันทีตามความตั้งใจทุกครั้งทุกขณะซึ่งถ้าเข้าใจตามนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องการแสดงอิทิปาติหารต่างต่า ง, งนั้นไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติหรือไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยผู้ที่รู้เรื่องกฎเกณฑ์ของวัตถุเป็นอย่างดียอมสามารถจะสร้างอภิญญาทางวัตถุขึ้นมาได้เช่นสร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์ขึ้นมาได้เป็นต้นฉันใด ผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องวิญญาณอย่างดีทั้งในโลกของมนุษย์และโลกของโอปปปาติกาทั้งหลายนั้นเขาก็ย่อมจะรู้เป็นอย่างดีว่าการสแสดงอิธิปฏิหารต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างไรหมายเหตุผู้อ่านในหนังสือวิญญาณคืออะไรและในหลายแห่งท่านอธิบายถึงพวังคจิต หรือการสร้างรูปนามนั้นเกิดจากจิตไร้สำนึกซึ่งในความจริงนั้นจิตใต้สำนึกกับจิตไร้สำนึกใกล้เคียงกันมากเพียงแต่จิตไร้สำนึกนั้นอยู่ลึกลงไปกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งในที่นี้ท่านอาจารธิบายในหลักเบื้องต้นแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับจากเรื่องราวที่สรุปมาให้ฟังนี้แสดงให้เห็นว่า พลังทิพหรือพลังวิญญาณ น, นั้นมีความสำคัญยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดซึ่งเมื่อเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีก็จะทำให้เข้าใจเรื่องอำนาจของการแผ่เมตตาหรืออำนาจของการแผ่ส่วนกุศลว่าจะมีผลเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่